สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกเรื่องตาลันและมินาเด็กน้องครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินตาลันที่อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยีิบห้าแล้วนะครับในเช้าวันนี้จะมีการเปรียบเทียบระหว่างคําอุปมาทั้งสองแห่งในพระคัมภีร์ก็คือในลูกา บทที่สิบเก้าและเปรียบเทียบกับเ ม, มื่อวานนี้ก็คือมัทธิวบทที่ยี่สิบห้านะครับโปรดฟังข้อชนะของพระเจ้าลูกาบทที่สิบเก้าข้อที่สิบเอ็ดเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินเหตุการณ์นั้นพระองค์ได้ตรัสคําอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังต่อไปเพราะพระองค์เสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มแล้วเพราะเขาทั้งหลายคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลันเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งไปเมืองไกล เพื่อจะรับอำนาจมาครองแผ่นดินแล้วจะกลับมาท่านจึงเรียกทาสของท่านสิบคนมามอบเงินไว้แก่เขาสิบมินาสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมาแต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั้นจึงใช้คณะทูตปาลมไปทูลว่าเราไม่ต้องการให้ผู้นี้ครอบครองเราเมื่อท่านได้รับอำนาจครองแผ่นดินกลับมาแล้วท่านจึงเรียกทาสทั้งหลายที่ท่านได้ให้เงินไว้นั้นมา เพื่อจะได้รู้ว่าเขาทุกคนท้าได้กำไรกี่มากน้อยฝ่ายคนแรกมาทูลว่าพระเจ้าค่ะเงินมินาหนึ่งของพระองค์ได้กำไรสิบมินาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นท่าที่ดีเพราะเจ้าสัตว์ซื่อในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอำนาจครอบครองสิบเมืองเถิดคนที่สองมาทูลว่าพระเจ้าค่ะเงินมินาหนึ่งของพระองค์ได้กาไรสิบห้าห้ามินาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า เจ้าจงครอบครองห้าเมืองเถิดอีกคนหนึ่งมาทูลว่าพระเจ้าค่ะนี่เงินมีนาหนึ่งของพระองค์ข้าพระบาทได้เอาผ้าห่อเก็บไว้เพราะข้าพระบาทกลัวฝ่าพระบาทด้วยว่าฝ่าพระบาทเป็นคนเข้มงวดฝ่าพระบาทเก็บผลซึ่งฝ่าพระบาทไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวที่ฝ่าพระบาทไม่ได้หวานพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าไอ้ข้าชั่วช้าแล้วจะปรับโทษเจ้าโดยคําของเจ้าเองเจ้าก็รู้หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดเก็บผลซึ่งเราไม่ได้ลงแรงและเกี่ยว ที่เราไม่ได้หวานก็เหตุไหนเจ้าไม่ได้ฝากเงินของเราไว้ที่ธนาคารเราเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเรากับดอกเบีย้ยด้วยแล้วพระองค์ตรัสสั่งคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าจงเอาเงินมิณาหนึ่งนั้นไปจากเขาให้แก่คนที่มีสิบมินาคนเหล่านั้นทูลว่าพระเจ้าค่ะเขามีสิบมินาแล้วเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคนทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีกแต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขาจะมีอยู่นั้นจะต้องเอาไปจากเขาฝ่ายพวกศัตรูของเราที่ไม่ต้องการให้เราครอบครองเขานั้นจงพาเขามาที่นี่และค่าเสียต่อหน้าเราพี่น้องครับพ ร, พระเจ้าในเช้าวันนี้จะมีการเปรียบเทียบนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินตะลันและเงินวินาพี่น้องครับประเด็นสำคัญสี่ประเด็นนะครับที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องฟังในเช้าวันนี้ก็คือว่าความแตกต่างของค่าเงิน เงินตะลันนี้มีค่าสูงมากครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้เปรียบเทียบไปแล้วนะครับว่าเป็นหน่วยของน้ําหนักนะครับถ้าเราเอาทองมาชั่งเอาเงินมาชั่งนะครับก็จะแตกต่างกันแต่ก็ตามครับเมื่อเปรียบเทียบกับเงินวินานะครับปรากฏว่าหกสิบวินาเท่ากับหนึ่งตะลันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบธาตุในมัทธิวบทที่ยี่สิบห้านั้นธาตุมีอยู่สามคนครับ ก็คือคนแรกได้ห้าตะลันคนที่สองได้สองตะลันคนสุดท้ายได้หนึ่งตะลันเพื่อนครับจากพระเจ้าพระเจ้าทั้งสองตอนนี้นะครับหลายหลคนบอกว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ผมจะเรียนให้กับพี่น้องทราบว่าเป็นคนละเรื่องกันครับเพราะเนื่องจากบริบทนั้นในลูกาขณะที่พระเยซูทรงเล่าเรื่องคําอุมาลนี้พระเยซูกําลังเดินเข้าไปในกรุงเยอเมันนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ ในลูกาบทที่สิบเก้าซึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับได้บรรยายไว้นะครับอยู่ในข้อที่สิบเอ็ดนะครับว่าพระองค์เสด็จมาใกล้กรุงเยรูเซมแล้วนะครับนั่นหมายความว่ายังไม่ได้ถึงเยรูเซมครับกําลังจะเข้าเยรูเซมแต่ว่าในพระธรมัทธิวนะครับยี่สิบห้านั้นนะครับในบริบททําให้เรารู้ว่าพระองค์ไดตรัสสอนขับอุมมานี้ขณะที่พระองค์ อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าสองเหตุการณ์นี้เป็นสองเหตุการณ์นะครับเป็นคนละเหตุการณ์ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เดียวกันและค่าของเงินก็แตกต่างกันด้วยนี่คือประเด็นแรกครับประเด็นที่สองเมื่อเราค่อยๆคำนวณ น, นะครับว่าจํานวนเงินที่แตกต่างกันนั้นก็ทําให้เกิดการค้ากําไรได้กลับคืนมานะครับผมจะคํานวณให้พี่น้องฟังคร่าวๆ นะครับถ้าหากว่าหกสิบมีนาเท่ากับหนึ่งตันลันห้าตันลันนะครับก็คือสามร้อยมีนาเพราะว่าหนึ่งมีนานะครับเนื่องจากหนึ่งมีนานั้นเท่ากับค่าแรงของคนทํางานปกตินะครับสามเดือนด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่ได้ห้าตันลันนะครับก็เท่ากับได้เป็นค่าแรงไปเก้าร้อยเดือนพี่น้องวงหันสิบสองครับเก้าร้อยเดือนตกเท่าไหร่ครับก็คือตกเจ็ดสิบห้าปีด้วยกัน เพราะฉะนนคนที่ได้สองตารางหลังจากที่คํานวณมาแล้วนะครับก็คือสามสิบปีคนที่ได้หนึ่งตารางคำนวณมาแล้วครับก็เหลือสิบห้าปีพี่งครับถ้าเรามองดูตัวเลขนี้เราจะรู้ว่าเจ็ดสิบห้าปีนั้นเป็นเรียกว่าชั่วชีวิตนะครับการทํางานชั่วชีวิตพี่น้องครับในมัทธิวบทที่ยีห้ากันบอกว่าตาราง น, นั้นคือความสามารถนะครับความสามารถหรือสกิลนะครับก็คือ เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งเรียกว่าของประทานครับของพระทานนั้นอาจจะเป็นสติปัญญาของประทานนั้นอาจจะเป็นทรัพสมบัติที่ติดตัวมาของประทานนั้นอาจจะเป็นรลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ไม่เท่ากันนี่คือของประทานครับไม่เหมือนกันนะครับแต่่วนในพระคัมภีร์ลูกานั้นทั้เราเห็นนะครับว่าลูกานั้นทาสิบคน ได้คนละหนึ่งมินาเท่าเทกันอะไรคือความแตกต่างครับความแตกต่างตรงนี้ก็คือว่าคนที่ได้หนึ่งมินาเขาไปทํามาค้าขายได้กําไรมาคนแรกนะครับสิบเท่าคนที่สองห้าเท่าและคนสุดท้ายคนที่สามครับก็คือไปหอผ้าเก็บไว้ความแตกต่างอยู่นี้ครับว่า คนที่ได้ห้าตะลันเขาได้คืนมานะครับกําไรมาอีกห้าตะันนะครับตัวเป็นสิบนะครับคนที่ได้สองตะลันก็ทํามาค้าขายได้มาเพิ่มอีกสองตะลันเป็นสี่นะครับส่วนคนที่ได้หนึ่งมินานหนึ ม, มินานหน ม, มินานเท่ากันคนแรกก็สิบเท่าครับคนที่สองก็ห้าเท่านะครับและคนที่สามก็เหมือนกับคนที่ได้ลหนึ่งตะลันก็คือเอาไปฝังดินไว้พี่น้องครับ ประเด็นที่สําคัญต่อมาก็คือว่าเมื่อเราพบว่ามีความแตกต่างเช่นนี้แล้วเรารู้นะครับว่าทั้งสองเรื่องนั้นมีความเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของการที่พากษาและการให้รางวัลกับภาษาอังกฤษเล้ว่า judgment and rewarding เพราะฉะนั้นหลักของการ judgment นะครับจากพระคัมภีร์ทั้งสองต่อ น, นี้ทาให้เรารู้ว่ามีอย่างหนึ่งครับที่พระเจ้าให้เราเท่าเๆกันนั่นก็คือมิณานะครับ เพราะฉะนั้นเงินมินาก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราที่พระเจ้าให้มาทุกคนมีหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตเท่ากันครับนะอะไรอีกครับที่จะเท่ากันในชีวิตของเราก็คือเวลาแต่ละวันแต่ละวันเรามี24ชั่วโมงเท่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต้องใช้ความเชื่อครับและเรื่องของความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าให้กับเราทุกทุกคนอะไรที่พระเจ้าให้เราทุกคน เท่าเท่ากันนะครับนอกจากชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงในหนึ่งวันและนอกจากหนึ่งชีวิตที่เรามีอยู่นั้น น, น, นั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือพระคุณของพระเจ้าครับพระคุณของพระเจ้านะครับที่ให้เราได้รับความรอดโดยความเชื่อเท่าเท่ากันหมดเลยครับไม่มีความแตกต่างเลยครับพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องยอมรับครับว่าเราทั้งหลายไม่สมควรได้รับแต่พระเจ้าประทานให้เราฟรี นะครับเราได้รับพระคุณของพระเจ้าในด้านของความรอดนั้นเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้หนึ่งชีวิตของเรานะครับหนึ่งวันย4สี่ชั่วโมงที่เรามีเท่ากันหนึ่งชีวิตที่เรามีเท่ากันพระคุณของพระเจ้าในเรื่องของความรอดที่เรามีเท่ากันนั้นจะต้องขยับไปอีกระดับหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องทำนะครับให้ชีวิตของเรานี้หนึ่งชีวิตของเรานี้นะครับได้เพิ่มค่าเพิ่มมูลค่าทากาไรโดยการ เพิ่มพูนของประทานของเราโดยการแสวงหาของประทานของเราโดยการพัฒนาของประทานของเราและของประทานนี่แหละครับก็คือเงินตะลันครับนะครับเราจะเห็นว่าหนึ่งชีวิตหนึ่งวันพระคุณที่เท่าเท่ากันนั้นก็เทียบเท่ากับเงินมีนาแต่หลังจากที่เราได้หนึ่งชีวิตนะครับหนึ่งวันและได้รับพระคุณเท่ากันแล้วนะครับในเรื่องของความรอดเราจะต้องพัฒนาสิ่งที่เมีอยู่นั้นให้กลายเป็นเงินตะลันให้ได้ครับนะครับ ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นของประทานที่มาพร้อมๆกับการอวยพระพรของพระเจ้านะครับเราจะต้องแสวงหาวิธีการนะครับแต่เนืหาของประทานให้มากขึ้นเราจะต้องพัฒนาของประทานที่เรามีอยู่นั้นให้มากขึ้นซึ่งตรงกับพระพีครับที่ท่านนอคครูดเปาโลได้สั่งให้ทิโมธีบอกว่าของประทานที่ท่านมีอยู่นั้นจงพัฒนาให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสกิลหรือ เงินตะลันนั่นเองนครับจากตรงนี้เราเห็นนะครับว่าการพิพากษาการให้รางวัล น, นั้นแปลตามเลยครับแปลตามชีวิตที่เรามีอยู่และแปลตามของประทานนั่นหมายความว่าเราต้องรู้จักใช้พระคุณรู้จักใช้ชีวิตรู้อกใช้เวลาหนึ่งวันที่เราได้เท่าเท่ากันนะครับให้ถูกต้องและเราจะต้องรู้จักใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานมาให้กับเราอย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน นะครับก่อนจะจบวันนี้นะครับผมจะตั้งข้อสังเกตครับอยู่สามเรื่องด้วยกันพี่น้องครับคนงานทั้งเจ็ดคนนะครับคนงานเจ็ดคนที่เหลืออยู่ในเรื่องมีนานั้นหายไปไหนครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ตอบสนองต่อพระคุณนะครับเขาจึงไม่รอดในที่สุดนั้นเขาก็เมื่อเขาไปไม่รอดนะครับเขาก็กลายเป็นศัตรูที่ไม่ยอมรับพระคุณของพระเจ้าและจะต้องถูกฆ่าในที่สุดใช่หรือเปล่าครับข้อสังเกตที่สองครับ นะครับก็คือเรื่องของธนาคารเรารู้นะครับว่าระบบธนาคารนั้นมีอยู่แล้วในสมัยโบราณแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าธนาคารนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นการถวายครับเพราะอะไรครับหลายๆครั้งเรามีเงินเราไม่รู้จะพาาอะไรนะครับการไปฝากแบงค์นั่นหมายความว่าไปให้คนอื่นเขาทํากําไรให้แบงค์มีหน้าที่ทํากําไรให้นะครับจะได้ดอกเบี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการ ที่เราถวายชัพเนี่ยมันหมายความว่าสนับสนุนคนอื่นๆครับสนับสนุนมิชชั่นสนับสนุนการขยายแผ่นดินของพระเจ้าสนับสนุนคนอื่นให้ไปประกาศแทนเรานะครับนั่นก็คือให้คนอื่นหาผลประโยชน์ให้จากเงินที่เรามีอยู่นะครับใช่หรือไม่เป็นข้อที่น่าสังเกตนะครับข้อสังเกตประจำสุดท้ายครับก็คือว่าน่าจะแบ่งคนงานออกเป็นสามประเภทได้ไหมนะครับคนงานประเภทแรกก็คือคนงานที่ดีและสัตย์ซื่อครับคนงานประเภทที่สองก็คือเป็นคนงานที่ ชาตชั่วช้าเกียจช้า น, นะครับแต่คนงานประเภทที่สามที่เราลืมไปก็คือเจ็ดคนที่เหลือที่ไม่มารายงานตัวครับนะครับเจ็ดคนที่เหลือนั้นก็คือพวกเขาเนี่ยสละสิทธิ์นะครับหรือปฏิเสธไม่ยอมให้การรายงานนั่นหมายความว่าเขาตัดขาดออกจากนายของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับใช่หรือไม่ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้อง ที่ท่านจะมีโ อ, อกาสให้ควรถึงสิ่งที่ผมได้แบ่งปันในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงนาให้เราทั้งหลายที่จะใช้นะครับพระคุณของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าใช้ของประทานกับใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่ครับเราจะได้คำชมที่ดีที่สุดก็คือเจ้าเป็นทาาที่ดีและชัดซืจงครองร่วมกับนายของเจ้าเถิด อ่าไม่